ชัยต <t> อน <érer> <fire> ิรันดอิมอยพรมพร้อมกันดีแบบครับอนอันตามแล้วเดี๋ยวผมต้องนำไงครับผมไม่อยากนำบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรห์มีอรอิ الذي بالدين الذي فذلك يكذب يدعو اليقين يحض ทั้งที ل จ م ดีทีِส ي ن ทั ل งที่ ي ن ดีท م ่สุด ص ล ا ทิมสาหูนัล้ดีนัุมยูร้นวยมนาอูนมาครับในสรวนนี้นะครับพวกเราจะได้สอนพวกเราทุกคนให้ระวังถึงคุณลักษณะที่พวกเราต้องระวัะวงเอาไว้ ในส่วนของยุสอัมมะเนี่ยครับยุสอัมมะก็คือยุสที่สามสิบส่วนใหญ่จะเป็นสุรัตที่แบบสั้นๆแล้วก็ความหมายจะเน้นในเรื่องของการให้พวกเรานั้นระวังตนให้รอดพ้นจากการลงโทษของลอในส่วนของสุรออัตมาอุนก็เช่นเดียวกันกนที่จะเริ่มนะครับอยากจะขอถกชวนพูดคุยนิดนึงเราคิดว่าถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่าคนประเภทไหนที่ไม่น่าคบคนประเภทไหนที่ไม่น่าคบ อยากฟังคําตอบของแต่ละท่านคือเราไม่ได้ไม่ได้ถามชื่อนะครับไม่ต้องบอกชื่อว่าคนคนชื่อนี้อะครับอยากรู้คุณลักษณะว่าพวกเรามองว่าคนประเภทไหนเป็นคนที่ไม่น่าคบเริ่มจากง่าเลยครับตามแบบที่อาร์โล่บอกว่าจะมีสอนให้คือพวกมูนาฟิกคือคนที่ครับเป็นคนที่ไม่น่าคบที่สุดแล้วครับหมายถึงตัวเราหรือเปล่าคนไม่น่าคบเราไม่ใช่นะคนประเภทนั้นไม่ใช่เราใช่ไหมเราไม่มีคุณลักษณะมูนาฟิกเลยนะ เราไม่มีนะครับในใจนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะซักให้มั่นใจว่ามีหรือไม่มีม <laughs> เดี๋ยววันนี้จะรู้ว่ามีหรือไม่มีอาจารย์มีความเห็นว่าจะไดครับถ้าถามคนที่มาอน้าเขาคุณลักษณะนิสัยเขาเป็นจะใดบุคลิกจะใดสมมุติถ้าเกิดจะเตือลูกเตือนหลานจีครับเออถ้าเจอคนแบบนี้นะลูกระวังไว้เลยนะก็คงเจะของพฤติกรรมของพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่าคนที่ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดี ไม่ดีไปตลอดหมายถึงว่าคนที่อาจจะแบบว่าชอบดา่าชอบใช้คําหยาบคายชอบกินเดากินเหล้าเมายาเก็เกเทำโดยแล้วครับบุคคลนี้เป็นบุคคลที่ไม่น่าคบต้องไม่ครบรับคุณอาครับต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างประเภทนี้นี่นคื อ, อแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาเป็นคนแบบนั้น เราก็ต้องมีการเก็บข้อมู ล, ลก็คือมุสลิมต้องไม่รักใครก็รักหมดใจไม่เกลียดใครก็เกลียดหมดใจใช่ไม่มต้องเผื่อใจไว้บ้างเอาทำเลยละครับพอแล้วเหรอครับอ๋อพอแล้วผมกําลังลุ้นจะตอบว่าสามีฉันหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ตอบนะครับเอาทำดูลินละครับวันนี้คําตอบดีครับมีใจให้เปลี่ยนไหมครับยังไงก็ได้นะครับเรามาดูในสโลนมาอุนแล้วก็เราก็จะรู้ถึงคุณลักษณะที่อัลลอฮ์เตือนเราไว้ว่าไม่ใช่มุสลิมเราเราเป็นคน ที่มุมมองของเราไม่ได้เจาะแค่โลกนี้ใช่ไหมครับเราต้องมองข้ามชอดเราไม่ได้มองแค่ดุนยาแต่เรามองเผื่ออย่างที่เขาชอบใช้คำพูดกับว่ามุสลิมเราเป็นคนสองโลกสองโลกในสุร้อเนี่ยพ่เละชวนท่านนบีให้คิดแล้วก็ชวนผู้ศรัทธาคิดพกเราใช้คาว่าไงครับอารอไอแต่ อ, รอตาอรอไอแต่เลดียูกับดิบุบิดดินอรออแตามีความหมายว่าเจ้าไม่เห็นเลยไม่รู้เลย ไม่รู้มาก่อนเลยหรืออารออิตาอัลละดีผู้ที่ยุกับ ด, ดิบุเขาได้ปฏิเสธบิดดีนปฏิเสธอะไรครับถ้าดีนแปลตรงตัวไปว่าศาสนาแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าความหมายในอญญายันนี้ครอบคลุมถึงอะไรบ้างถ้าแปลโดยรวมครับอารออิตาละดียูกับ ด, ดิบูบิดดีนมีความหมายว่ามุฮัมมัดเจ้าไม่เห็นดอกหรือถึงคนที่เขาปฏิเสธในเรื่องของศาสนา คำว่าไม่เห็นดอกหรือมันมันแปลว่าอะไรครับทำไมใช้คำว่าไม่เห็นล่ะสแตนกันไปพักหนึ่งนะครับผมผมไม่มีวัยรุ่นให้แกล้งถ้ามีวัยรุ่นจะได้แกล้งงั้นเดี๋ยวเราแปให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่ามาเปิดประเด็นอร่อยตะละอียู่กัดีบุบดินเจ้าไม่เห็นหรอกหรือถึงคนที่ว่าเขาปฏิเสธในเรื่องของศาสนาฟะแลลิกัลลซีเจดูอุลย์ติมฟะแลลิกัลลซี คนคนนั้นคือใครครับยะ่อดูอุลยะตีมคือคนที่เขานั้นขับไล่เด็กกำพร้าขับไล่เด็กกำพร้าคือพอรู้ว่าไม่มีพ่อปุ๊บไม่มีแบ๊กเป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับจะต่ำต้อยเกินกตัวเองก็จะขับไล่ตะเพิดแบบไม่ให่ดีให่อะไรเฟเดริกาลาเหยื่อดูอุลยาติมว่าละเหยุดูอะไรต่ออายามีมิสกีนว่ละแล้วก็ไม่ ววลาแล้วก็ไม่อย่าฮุตดูไม่ส่งเสริมอันแรกนี่คือไล่นะครับอันที่สองนี่ส่งเสริมแล้วก็ไม่ส่งเสริมเวลาอย่ฮ ah ุตดูอ้ลต่ออามิมิสกินไม่ส่งเสริมในเรื่องการให้อาหารกับคนที่ขัดสนใช้คาว่าไม่ส่งเสริมนี่เคลียร์นะครับคือตัวเองเนี่ยไม่ให้อยู่แล้วแล้วพอมีใครจะทำความดีมีใครจะช่วยเหลือคนอื่นก็ไปขวางทางครับเคยเจอไหมครับอ๋เอเคยนะครับผม ไม่เป็นเองนะครับปุาทปรสุทาทิคนจิ้มให้คนไายครว่าแต่ ม, ม, มือไม่พายามือไม่พายเอาเท้าลาน้ำอ่าครับผมแล้วก็ไงต่อครับหลังจากนั้นเหมือนกับว่าพระลาจะตัดบทมาอีกฉากหนึงหลังจากที่บอกว่าฟَ nice> ذ َล ل ِ ك َ الَّذِيَ ยُ و น ل ว ي َ ت ِ ي م ุ وَلَا يَحُطُ มَ ل َ ا تُعَامِلُ ا ل ْ م ِ س ْมาไนว้ยลุนอาราบที่ ไวรุลินแปว่าความหายานะความพินาศดังนั้นความพินาศจะเกิดแก่ผู้ที่ได้ทําการละหมาดความพินาศจะได้เกิดแก่ผู้ที่ได้ทําการละหมาดครับอยาย่นี้หนาวๆแล้วร้อนเลยทีเดียวน่าจะเข้าตัวเยอะฝ่าวัยรุ่นมุสลินความหายนะเกิดแก่ผู้ที่ได้ละหมาดถ้าจบแค่นี้นี่งานเข้า อัลลอฮดีนะฮุมอัลสลัติฮิมซาฮูนอัลลอฮดีนพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่อัลสลาติฮิมจากการละหมาดของพวกเขานั้นจะไม่ให้ความสําคัญซาฮูนซาฮูนคือไม่ให้ความสําคัญจากการละหมาดของพวกเขาพวกเขาจะไม่ให้ความสําคัญอัลลอฮดีนะฮุมยูรอูนเขาเหล่านั้นคือบรรดาผู้ที่ว่าชอบ อวดแ้างให้คนอื่นเห็นชอบทําให้คนอื <t <t <t <t ่นเห็นถ้าแปลตรงตัวนะครับเขาเหล่านั้นคือคนที่ชอบทําให้คนอื่นเห็นวายามนาอูนัลมาอูนแล้วพวกเขาเหล่านั้นคือคนที่ห้ามไม่ยอมให้มีการหยิบยืมของกันวายามนาอูนัลมาอูห้ามไม่ให้มีการยืมของคือใครจะมาขอยืมแล้วก็ไม่ให้ไงครับอย่างมาขอยืมไม่กว่าดหน่อยมาขอยืมหม้อนะขอยืมมีดขึ้เขียงยืมอะไรไม่ให้ฉันไม่ให้ ในสุรานี้พอเราพูดถึงคุณลักษณะทั้งหมดกี่คุณลักษณะครับ mm. อะไรอะไรตอลยิบูดีนเิกลยาโดลติมไม่ให้อาหารกับเด็กอาไตะเพิดเด็กกัมา้าใช่มครับไม่หา้คนยากจนละหมาดก็ชอบโอ้วอดมีการโอ้วดแล้วก็บยัมนาอุนตันมาอุนไม่ให้อาหารไม่ยอมให้มีการหยิบยืมของกันสี่คุณลักษณะพูดถึงสี่คุณลักษณะ ถ้าเรามาดู4คุณลักษณะเราได้อะไรบ้างเราได้อะไรบ้างจาก4ี่คุณลักษณะนี้ประการแรกครับตอนเนี้ยพวกเราพูดเริ่มต้นตั้งโจทย์ไว้ให้พวกเราทุกคนก่อนว่าเราไอตันาดีอยู่กับดบุบิดีนเจ้าไม่เห็นห ร, หรือถึงคนที่เขาปฏิเสธในเรื่องของศาสนาคำว่าบิดีในที่นี้นะักวิชาการมีทัศนที่หลากหลาย นักวิชาการบางส่วนก็มองว่าบิดดีในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เขาปฏิเสธในเรื่องของการฟื้นคืนชีพแล้วก็การสอบสวนบางทัศนาก็มองว่าปฏิเสธถึงศาสนาทั้งหมดเลยปฏิเสธถึงการตอบแทนขอเลือบปฏิเสธถึงการลงโทษขอเลือบปฏิเสธถึงความเมตตาไม่เชื่ออะไรสักอย่างในเรื่องศาสนาเลยในขณะที่ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกก็คือก็จะมองว่าก็จะจอดจงไปเรื่องของโลกหน้าแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือพวกเลือบกำลังบอกให้พวกเรารู้ว่า ถ้าเจ้าอยากรู้ว่าคุณลักษณะของคนที่ไม่เชื่อโลกหน้าไม่เชื่อโลกหน้าแปลว่าอะไรไนนะคนที่ไม่เชื่อโลกหน้าในมุมมองของมุสลิมหมายถึงคนที่ว่าโลกหน้าเดือดร้อนร้อยเปอร์เซนตวยแน่นอนไม่มีทางได้ดีถูกไหมครับเพราะในสมนวละดิสหลายๆสมุวลท่านอบดเียช ส, สมมวนเยอะมากที่บอกว่าใครก็ตามศรัทธาต่อร้อยและวันสิ้นโลกอ่ะและวันสิ้นโลกเขาก็จง พูดดีพูดไม่ดีพูดดีไม่ได้ก็จงเงียบเสียหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูฮาริสไลยสำนวนนะครับใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกเขาก็จงให้เกียรติแก่เพื่อนบ้านของของเขาเขาก็จงให้เกียรติแก่แขกของเข า, ขเขาจะมีสำนวนมากมายในฮาริสิตรบีใช้คําว่าใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันสิ้นโลกแปลว่า2 อ, อย่างนี้ต้องคู่กันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ถ้าเราไม่เชื่อว่ามันมีการสอบสวนมันมีการตอบแทนเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่ไม่เชื่อว่ามีการตอบแทน เขาไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ใช่มุสลิมหรือเขาอาจจะมีชื่อเป็นมุสลิมแต่เขาเป็นสิ่งที่แย่กว่ากาเฟสอะไรคือสิ่งที่แย่กว่ากาเฟสครับมูนาฟิกคือการเป็นกาเฟสไม่ได้แย่ที่สุดนะครับสำหรับมุสลิมในโลกหน้านะไม่ใช่เด็ดร้อนที่สุดไม่ใช่กาเฟสเด็ดร้อนที่สุดเพราะอย่างที่เรารู้สิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายที่สุดคืออิบลิสถามว่าอิบลิสเป็นแค่กาเฟสหรือเปล่าไม่ใช่เป็นแค่กาเฟส มันเป็นยิ่งกว่านั้นเพราะมันเชื่อแนวล้อมันเชื่อแนวล้อแต่ว่าพฤติกรรมของมันสวนทางหมดเราจึงเรียกว่าเป็นหัวหน้าของมูนาฟิกเลยคือบิดิสนี่คือเป็นแหล่งรวมความชั่วร้ายเพราะนั้นตอนนี้ที่พวกเรากําลังเตือนพวกเราให้รู้ว่าครับว่าเราอาจจะเข้าใจว่าเราเป็นมุสลิมหรือเราอาจจะกลัวว่าเราไม่ใช่มุสลิมถ้าเรากลัวว่าเราไม่ใช่มุสลิมสี่อย่างนี้ห้ามทําเด็ดขาดห้ามมีใน ร่างกายของเราเดี๋ยวกะถ้ามีปุ๊บหรือถ้ามีคนใกล้ตัวเรามีคุณลักษณะอย่างนี้สีต้องรีบเคลียร์ละเพราะไม่เช่นนั้นเราจะเข้าข่ายผู้ที่ปฏิเสธต่อวันแห่งการสิ้นโลกวันแห่งการตอบแทนแล้วก็เท่ากับว่าเราสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมไปพอเราบอกคุณลักษณะแรกครับสุมาลละเราไม่ได้พูดถึงว่าเขาปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เพราะคําว่าปฏิเสธต่ออัลลอฮ์หรือคําว่าเชื่อต่ออัลลอฮ์เป็นคําที่โกหกกันได้พอเราบอกให้ตัดสินที่พฤติกรรม ดูที่พฤติกรรมถ้าคนที่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงเขาจะไม่ใช่ให้เกียรติแต่คนใหญ่คนโตเขาจะไม่ใช่ให้เกียรติแต่คนร่ําคนรวยแต่อย่างที่หลายๆคนบอกนะครับอันนี้แม้แต่กาเฟชรก็พูดเขาบอกว่าหากเราอยากรู้ว่าคนคนนึงเป็นอย่างไรให้ดูพฤติกรรมของเขาที่มีกับคนที่ต่ําต้อยกว่าเวลาไม่มีใครเห็น ถ้าอยู่ต่อหน้านี่คือพูดดีทําดีกับคนที่ต่ําต้อยกว่าแต่พอรับหลงังปุ๊บชี้หน้าดา่าทั้งตบทั้งทํำร้ายขอให้รู้ว่านั่นแหละคือนิสัยที่แท้จริงของเขาเพอาะในยัยกุรานี้อวโลกบอกว่าไงครับลักษณะของคนที่ไม่เชื่อว่ามีโลกหน้าไม่เชื่อว่าต้องโดนลงโทษเขาจะไม่แคร์การที่จะกดขี่คนเห็นคนที่ต่ําต้อยกว่าตัวเองแล้วคนที่ต่ําต้อยหรือว่าคนที่อ่อนแอที่สุดในสังคมไม่มีใครอ่อนแอกว่าเด็กกำพร้า เพราะไม่มีใครปกป้องใช่ไหมเพราะในสังคมนี่คือถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงปกป้องไม่ถ้าผู้ชายปกป้องแล้วเด็กกําพร้านี่คือยิ่งถ้าเกิดเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ไม่ได้ทิ้งทรัพย์สินไม่ได้ทิ้งอะไรให้ส่วนใหญ่ก็คือบางทีเห็นปุ๊บไล่ตะเพิดบางทีจัดงานเลี้ยงมีจัดอะไรผู้ใหญ่จะมาปุ๊บพอมีเด็กกำพร้าวิ่งมาเพ่นพ่านตอนนั้นก็ดา่าแล้วก็ขับไล่เนื่องจาพฤติกรรมที่ไม่ดีพวกเราบอกว่านี่คือหนึ่งในคุณลักษณะของคนที่ไม่เชื่อว่าโลกหน้นมีจริง คือคนที่ว่าเขาตะเพิดเด็กกำพร้าซึ่งอย่างที่พวกเรารู้ครับฮะดีสที่ท่านอบีพูดถึงเด็กกาพร้าเนี่ยเยอะมากเหมือนกับที่ท่านเบียวบอกไงครับฉันจะอยู่กับคนที่เลี้ยงดูเด็กกำพร้าเหมือนกับนิ้ว2นิ้วที่ว่าอยู่ชิดกันคือคนที่ว่าเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นประจำเนี่ยจะได้อยู่ชิดใกล้ชิดกับท่านอบีในโลกหน้าแล้วท่านอบีมัส ร, รอร์ลอยสลับเองท่านก็เกิดมาเป็นเด็กกำพร้า ไม่ใช่แค่เด็กกำพร้าก็คือแม่ก็เสียอีกปู่ก็เสียอีถึงเวลากรลหลงเสียก็เสียคนที่รักขั้นเสียชีวิตเกหมดเพราะฉะนั้นคนเป็นมุสลิมคุณลักษณะแรกที่เราล่อเตือนไว้คนที่ไม่เชื่อในวันสิ้นโลกอันแรกเขาจะกดขี่คนที่ต่ําต้อยกว่าตัวเองโดยเฉพาะเด็กกำพร้าเขาจะไล่ตะเพิดอันที่สองครับแล้วเขาจะมีคุณลักษณะที่ว่าไม่ชอบส่งเสริมให้มีการเลี้ยงอาหาร คือพวกเราไม่ได้พูดแค่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงอาหารพอเราคิดถึงเรื่องการเลี้ยงอาหารนะครับความสุขพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนบนโลกคือการอิ่มท้องใช่ไหมครับเด็กเพิ่งเกิดมาปุ๊บความสุขแรกของเด็กก็คือได้ดูดนมแม่พวกเราก็เหมือนกันพวกเราลองคิดจินตนาการแต่ถ้าท่านเคยเดินทางถ้าเราเดินทางไปต่างถิน่นบางทีเดินทางไปที่ไกลแม้แต่ภาคเหนือเองไงครับ อย่างยกตัวอย่างบางทีอ า, อาจจะไปทางเมดจันอาจจะไปทางมสัสยิดที่ว่าไกลๆเลยบ้านยางหรือที่ไหนก็ตามแต่พอไปปุ๊บบางทีหาร้านอาหารมุสลิมไม่มีบางทีมีร้านเดียวแล้วปิดถ้าเกิดมีคนบอกว่ามาไหมเดินทางมาใช่ไหมเอามากินข้าวก่อนผมคิดว่าหลายท่านมีคนเคยเลี้ยงข้าวความรู้สึกเป็นยังไงครับเวาลามีคนเลี้ยงข้าวรู้สึกดีมากดีมากดีใจมากใช่มครัคือบางทีเรารู้ว่าเซเว่นมันมี คือถ้าจำเป็นอาจจะไปกินเซเว่นอะไรก็ตามแต่แต่พอรู้สึกว่ามีคนเชิญไปเลี้ยงข้าวเชิญไปทานข้าวปุ๊บมันมันมันรู้สึกมากกว่าคำว่าอิ่มน้นด้วยใช่ไหมครับที่เราต้องต้อนรับแขกสวันครับเป็นสุน้ด้ว ย, วยถ้าเกิดว่าต้องเลี้ยงแขกสามวันแล้วก็ดีที่สุดต้องเป็นวันแรกใช่ครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่แบบว่ายุคสมัยนี้ด้วยความที่แบบว่ามันเป็นยุคแห่งความรวดเร็วการให้เกียรติแขกหรือว่าอะไรเนะี่ยในเมืองเราจะหา ย, ยากหน่อยต้องไปรอบนอกครับอย่างถ้าเกิดไปฝงังไปท่าตอนไปอะไรเนะี่ย อราทำเลี้ยแล้วการเลี้ยงดูเรื่องแขกเรื่องอะไรเขาเต็มที่ยังมีความเต็มที่อยู่ความสุขพื้นฐานของมนุษย์คือการมีกินคนบางคนครับจะไปเลี้ยงอาหารมันทําไมอบางทีไม่ต้องใครมากบางทีคู่สามีภรรยาเนี่แหละภรรยาอาจจะอยากเลี้ยงว่าไปเห็นเขาเดินทางมาเลี้ยงข้าวเ้าหน่อยสามีก็ซ้อหาเรื่องอย่างอิด ก, กับอิดมาเองได้ก็อยู่กินเองก็อะประมาณเนี่ยหรือบางทีสามีอยากจะเลี้ยงอยากจะ รับรองแขกภรรยาก็ไม่ชอบรับรองแขกทั้งครั้ที่ท่านนบีมศลอยสลามพูดไว้ในหลายสายรายงานในความหมายที่สรุปเป็นความหมายได้ว่าใครที่ชอบเลี้ยงดูแขกแล้วจะให้ริสกีเขาเพิ่มผูนขึ้นคือไม่ใช่ว่ายิ่งเลี้ยงดูแล้เงินมันน้อยลงการรับรองแขกการเลี้ยงดูแขกการให้อาหารคนที่ขัดสนยิ่งเป็นการเพิ่มผูนริสกีเพิ่มผูนบราระกาอันนี้เป็นสิ่งที่ว่านักเศรษฐศาสตร์นักอะไรอาจจะไม่ไปทางเข้าใจถ้าเขาเป็นกาเฟส แต่ถ้เป็นมุสลิมมาเชื่อมัน่นเพราะเราประจักษ์ในภาคที่ปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่แค่เสีฎีอย่างเดียวเพราะนั้นคุณลักษณะของคนที่ไม่เชื่อในวันสิ้นโลกต่อให้ปากเขาอ้างว่าเขาเป็นมุสลิมถ้าเขาดูถูกดูแคนเด็กกำพร้าหรือถ้าเกิดเขาเป็นคนที่ไม่รักในเรื่องของการเลี้ยงดูอาหารคนยากจนขอให้รู้ว่าเขามีคุณลักษณะของผู้ที่ปฏิเสธอิสลามเรียบร้อยแล้วต่อให้ปากเขาบอกว่าฉันเชื่อแนอล่ละ ต่อให้เขาบอกว่าฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามอิสลามตัดสินที่พฤติกรรมซึ่งสุภาอัลลอฮ์ครับพฤติกรรมที่อัลลอฮ์ให้เราดูเป็นพฤติกรรมว่าเขาทํายังไงกับมนุษย์ด้วยกันสุภาอัลลอฮ์อันนั้นของแท้เลยคือไม่ต้องรู้ว่าเขาทำยังไงกับอัลลอฮ์เพราะที่เขาทำยังไงกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้อยู่แล้วอัลลอฮ์รู้อยู่แล้วแต่เราไม่รู้ไงบางทีเราดูพฤติกรรมคนนี้เข่งเนาะคนนี้ละหมาดดีคนนี้ทําอะไรดีรอัลลอฮ์บอกว่าอยาก หากอยากรู้ว่าใครสักคนดีหรือไม่ดีดูพฤติกรรมของเขากับคนเด้วยกันเหมือนกับที่ท่านบีบอกไงครับมันลายสกุลนัสลายสกุลละใครที่ไม่รู้จักขอบคุณคนเขาไม่มีทางจะขอบคุณอละล้อเป็นสุภานะลละลละสอนให้รู้เล ย, ลลเลยถ้าเกิดเราเจอคนที่แบบว่าชอบหยิงชอบเชิดใส่ไม่รู้จักเห็นคุณค่าสิ่งดีๆที่คนาดื่นทำให้ขนาดคนเดียกันที่อยู่ต่อหน้ายังไม่เห็นคุณค่าเขาจะเห็นคุณค่าละล้อได้อย่างไง มันเป็นไปนไม่ได้พเพราะถ้าเกิดว่าเราเห็นคุณค่าของอลละคนที่อละส่งเขามาช่วยเราเราก็ต้องขอบคุณเขาเราก็ต้องรู้สึกดีกับเขาใช่ไหมครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราสามารถตัดสินพฤติกรรมของคนได้ระดับหนึ่งจากพฤติกรรมของเขาที่มีต่อคนอื่นนี่คือความรูองาของอิสลามเหมือนกับที่ท่านเบียวว่าไงครับใครรู้กุมครรู้กุมออลีอาฮ์ลีฮีคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพระท่านคือคนที่ดีที่สุดต่อครอบครัวของเขาอีกสายรายงานหนึงก็คือคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพระท่านคือคนที่มีมารยาทดีที่สุด ถ้าสังเกตดูคําว่า ด, ดีที่สุดของอิสลามเนี่ยพู้อัลลอฮ์มักจะใช้ดัชนีตัวชี้วัดกับพฤติกรรมระหว่างเรากับคนระหว่างเรากับคนเพราะถ้าเกิดว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ความรักที่เรามีต่ออัลลอฮ์ความกลัวที่มีต่ออัลลอฮ์จะทําให้เราทําดีกับคนอื่นโดยปริยายมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะเรารักอัลลอฮ์แล้ก็เลยอยากให้อัลลอฮ์รักเราแล้วก็เลยไปช่วยบาบขององ์ มีครั้งหนึ่งที่ว่าอันนี้เป็นแค่เรื่องเล่านะครับผมที่ว่าท่านอาบิบรอฮีมครั้งหนึ่งมีแขกจะมาขอพักคืออาบิบรอฮีมท่านมีฉายาว่าเป็นคนชอบรับแขกแต่เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงแรกแรกช่วงแรกๆเลยว่ากันว่าครั้งหนึ่งครับมีคนที่ว่าบูชาไฟมาหาท่านอาบิบรอฮีมแล้วก็บอกอาบิบรอฮีมว่าช่วยรับรองแขกช่วยรับรองผมสักคืนได้ไหมผมไม่มีที่ไปอาบิบรอฮีมก็คิดว่า Allah ลลให้ดิสกีคุณมาต่างๆมากมายคุณยังปฏิเสธต่อพระ อ, องค์ผมจะให้ความช่วยเหลือคุณได้ยังไงนบีบรอฮิมก็เลยไม่ให้ความช่วยเหลือเพรลลาะ Allah ก็ให้มาราาิแกมาบอกนบีบรอฮิมครับบอกว่าไอบรอฮิมเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรือว่าคนที่ควรจะโกรธที่สุดต้องเป็นข้าคือต้องเป็นละวะแต่ทั้งๆที่เขายังเป็นกาเฟสอยู่ข้าก็ยังคงให้ริสกีกับเขาอยู่แล้วเจ้าจะปฏิเสธการให้ริสกีแก่เขากันนั้นเหรือ ก็คือดุญยาเนี่ยครับหน้าที่ของเราคือทำดีกับผู้อื่นต่อให้เขาจะเป็นผู้ที่ปริเศสต่อพระเจ้าแต่ในความยุติธรรมในดุลย์ยาจำเป็นต้องทำเพราะพวกเราสั่งไว้ในกุรอานว่าต่อให้เป็นผู้ปริเศสศรัทธามุสลิมก็ต้องมีความยุติธรรมกับเขาแล้วเราก็ต้องทำดีกับเขาด้วยเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือพี่น้องไอดัมเหมือนกัน ลูกหลานพี่น้องจากลูกหลานคอรดามเหมือนกันแล้วเราก็หวังว่าวาราาลามการที่เราทําความดีกับเขาบางทีล้อจะเปิดใจเขาหรืออย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ทํำร้ายมุสลิมหรือว่าไม่รังเกียจอิสลามครับเงี้ยสองคนลักษณะเนาะที่เราเล่าพูดตอนแรกคนที่ไปเสดสัทธาดูง่ายๆไปเสดต่อล้อไปเสดบันซิโดดูง่ายๆก็คือดูถูกคนที่ต่ําต้อยกว่ากับไม่ชอบสนับสนุนให้มีการเลี้ยงอาหารคนยากจนคือถะเลี้ยงอาหารคนรวยส่วนใหญ่ปัจจุบันหาง่าย เราอยู่ในยุคที่ว่าการเลี้ยงอาหารคนรวยมีมากกว่าการเลี้ยงอาหารคนจนสังเกตดูถ้าเกิดมีคนใหญ่คนโตมาระดับบิ๊กระดับบอสระดับใหญ่มาปุ๊บมีการจัดงานเลี้ยงดูใหญ่โตพาไปพัตคาหูหนูเวลามีงานแต่งงานเกือบร้ออร์เซ์ของงานแต่งงานมีแต่คนมีฐานะน้อยงานแต่งงานที่แบบจะระบุเลยว่าฉันต้องเชิญพี่น้องของฉันที่ขัดสนมากินด้วยน้อยส่วนใหญ่มันกลายไปว่ายุคปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ว่าเราเลี้ยงคนรวยมากกว่าเลี้ยงคนจน ให้ความสำคัญกับคนรวยมากกว่าความสังวนคนจนซึ่งมันไม่ใช่ละมันจะแสดงเจตนาว่ามันเป็นเพียงแค่เพื่อดุลย์ยาเฉยๆทีนี้ครับพวงละพูดต่อว่าไงครับฟอร์ไวยลุนลินมุสลีนความหาน่าจะเกิดแก่ผู้ที่ละหมาดฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันหักมุมรู้สึกว่ายัางไงบ้างหรือเปล่าคือตอนแรกพวงละกำลังพูดถึงผู้ที่ปฏิเสธต่อวันสินโลกใช่ไหมครับผู้ปฏิเสธต่อ伊斯ลามคนที่ แต่เพิเด็กกำพระคนที่ไม่เลี้ยงอาหารคนจนแล้วอยู่ๆพอเรามาพูดถึงความหายนะจะเกิดแก่ผู้ที่ละหมาดมีใครจูนติดบ้างครับว่าเกิดอะไรขึ้นยังนะครับคือตับซีดอย่ามาถามอะไรเยอะมึนถ้าเกิดเราพูดถึงว่าโลกหน้าโลกหน้าคือโลกแห่งการตอบแทนโลกหน้าคือโลกแห่งการตอบแทน สำหรับผู้ที่ทำตัวให้อลัลลอฮ์รักได้ผลตอบแทนของเขาคือความสุขตลอดวัดตลอดการนันคือสวรรค์สำหรับผู้ที่สอบตกแน่นอนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครอยากพูดอยากฟังเรื่อ ง, รองนรกใช่ไหมครับมันฟังแล้วมันไม่สบายใจแต่มันเป็นสิ่งที่อลัลลอฮ์ย้าเตือนให้มุสลิมเราว่าเราต้องกลัวพระองค์เพราะพระองค์เตรียมการลงโทษที่ทรมานไว้ซึ่งเรียกว่านรกในสุระอัลมาอูนเนี่ย พลเราพูดถึงผู้ปเสศรษทาคือคนที่จะต้องลงไปพำนักในนกกรกคือเราบอกว่าพระพุทธองสมมาตาบอกว่าสองคุณลักษณะเนี่ยสำหรับชาวนรกไม่ส่งเสริมเด็กกำพา้าแล้วก็ไม่ให้อาหารไม่ส่งเสริมเรื่องของอาหารครับแต่ในกลุ่มของผู้ที่ถูกลงโทษในไฟนรกเนี่ย มีกลุ่มเฉพาะที่โดนหนักกว่าเพื่อนคือคนที่ละหมาดสุภาโลละวัดภาพเห็นภาพนะครับคือตอนนี้พวกเราพูดถึงชาวนรกโดยรวมสองอายาแรกคุณลักษณะของชาวนรกโดยรวมมีสองข้อหลังจากนั้นพวกเราบอกถึงคุณลักษณะของชาวนรกที่เป็นกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มเฉพาะซึ่งเชคตับรี่ได้กล่าวไว้ในหนังสือทับซีดของท่าน บอกว่าทุกๆุกวันทุกทุกวันนะครับบอกสายรายงานซึ่งทานบรีรายงานหนังสือของท่านบอกว่าทุกๆกวันเนี่ยไฟนรกจะขอดูอาจากอัลลอฮ์ไฟนรกจะขอจากอัลลอฮ์ให้รอดพ้นจากสถานที่หนึ่งในไฟนรกหมายความว่าในไฟนรกทั้งหมดนะครับมีสถานที่ที่หนึ่งที่แม้แต่ไฟนรกยังกลัว คือเช็คลอรีบอกอิมมัลต์รีบอกว่าไฟนรกทุกๆวันจะขอต่อรัก ว, ว่าขอพระลอคคุ้มครองไฟนรกนั้นให้รอดพ้นจากตรงตรงนั้นของไฟนรกซึ่งมันแค่ไหนเกินจินตนาการซึ่งในสายรายงานท่านอบีบอกว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่อลัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับผู้ที่ไม่ให้ความสําคัญกับการละหมาดโอหนักเลยหนักเลย เพราะมันเป็นคุณลักษณะสําคัญของมูนาฟิกซึ่งมูนาฟิกหรือว่าผู้กับกอ์เลวร้ายยิ่งกว่าผู้ปฏิเสธศรัทธาเพอกาเฟสนี่คืออยู่นรกโดยวรวมครับเพราะมูนาฟิกที่เราะบอกในกระานก็คือฟิดดารกิลัสฟรีมนานานัตอยู่ในไฟนรกชั้นต่ําที่สุดอยู่เป็น VIP อ ส, สุดๆนะครับ VIP อ ส, สุดๆวีวี <laughs> VIP จิตลบ ไฟฟนร ก, กจับแดงแดงขาวขาวขาวจับขาวแล้วก็เป็นดำครับผมแล้วก็ในไฟนร ก, กก็มีการกืน ก, กินกันเองแล้วก็ตอนนี้คือเรากำลังพูดถึงไฟนร ก, กที่หนักที่สุดเอาละเตรียมไว้สำหรับคนที่ละหมาดสุพาารนัละวาหมายความว่าไงครับที่พวกเราบอกในกุหอ่านก็คืออัลดีนฮุมอันโซลาติหิมซาฮูนเขาคือผู้ที่ไม่ให้ความสาคัญ กับการละหมาดนัวิชาการหลายท่านบอกว่าขอบคุณละล้อมุสลิมเราควรจะขอบคุณต่อล้อให้มากที่พระ อ, องค์ใช้คำว่าไม่ให้ความสำคัญกับการละหมาด ถ, ถ้าพระ อ, องค์ใช้คำว่าไม่ให้ความสำคัญในขณะที่ละหมาดโดนกันหมดเล ย, ยเดือดร้อนกับหมดทุกคนเลยทุกคนเข้าข่ายหมดใช่ไหมครับแต่นี้พระ อ, องค์ใช้คำว่าไม่ให้ความสาคัญกับการละหมาด หมายความว่าไงครับนักวิชาการมีทัศนะอย่างน้อยสุดคือสามทัศนะในเรื่องนี้ว่าไม่ให้ความสําคัญกับการละหมาดแปลว่าอะไรทัศนะแรกมองว่าเป็นคนที่ชอบรอให้ถึงช่วงเวลาสุดท้ายจริงๆแล้วถึงจะละหมาดจนเจียนจะหมดเวลาอ่าจนเจียนจะหมดซึ่งบางทีก็หมดอ่าบางทีก็รอให้มันหมดไปก่อนแล้วละหมาดยังละหมาดอ ย, ดอยู่ครับาซาฮูนี่คือคนที่ยังละหมาดอยู่ คือไม่ได้ติดงานไม่ได้ติดธุระไม่มีภาระอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าก็รอรอรอรอถึงเวละยังไม่อยากละหมาดยัยงขี้เกียจเดี๋ยวรอเล่นคุยเล่นอาจจะหมดเวลาแล้วไปละหมาดสักหน่อยคือถ้าเรารู้สึกเหมือนเหมือนก็แน่ใจยังดีอยู่แต่คนกลุ่มเนี่ยนักราชการส่วนใหญ่มองว่านี่แหละคือคนที่ซาหุนแแล้วก็บางทีก็คือรอคือถ้ารอไปจนถึงช่วงท้ายเฉยๆเนะี่ยยังไม่ผิดแต่บางทีพอรอไปถึงช่วงท้ายปุ๊บแล้วก็ลวดปัดตกไปละหมาดรวมกับอย่างอื่นไปเลย อันนี้คือทัศนะแรกเนาะคือรอละหมาดให้ล่าที่สุดทที่เป็นไปได้ทศัศนะที่สองบอกว่าไม่มีความสำคัญกับการละหมาดคือคนที่จะละหมาดก็ต่อเมื่อมีคนเห็นมีคนรับรู้ต้องมีคนรับรู้ก่อนฉันถึงจะละหมาดถ้าไม่มีคนรับรู้ฉันก็ไม่ละหมาดละหมาดเพื่ออวดอ้างละหมาดเพื่ออวดอ้างให้มีคนชมให้มีคนพูดให้มีคนรับรู้บางทีไม่ต้องพูดก็ได้ขอแค่รับรู้ทัศนะที่สามครับมองว่าคือคนที่ว่าสําหรับตัวเขาแล้ว จะละหมาดหรือไม่ละหมาดไม่ต่างกันเลยสำหรับเขาคือเขาไม่รู้สึกแตกต่างเลยคือถึงเวลาจะละหมาดเลยไปไปไปไปก็ไปละหมาดก็ละหมาดไปกับเพื่อนอีกวันหนึ่งไม่ไปละหมาดไม่ลรไปคุยไม่ไปเล่นกันเอก็ไปไปไคือคนประเภทที่ว่าละหมาดหรือไม่ละหมาดสําหรับเขาในใจของเขาไม่รู้สึกว่ามันต่างกันเลยเหมือนกันคือเหมือนกับว่าละหมาดเป็นแฟชั่นเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าในใจเขาไม่มีความหมายเลยก็คือเหมือนกับเพื่อนชวนไป ไปแวะของแป๊บหนึง่งแวะเติมน้ำมันเลยประมาณเนี่ยเอออยากแวะก็แวะเลยประมาณเนี่ยคือความรู้สึกไม่แตกต่างอันนี้คือที่นักวิชาการพูดไว้หลักๆในาสามทัศนะเกี่ยวกับคำว่าซาฮูนคนที่ไม่ให้ความสําคัญกับการละหมาดคือคนที่แบบว่าล่าให้สุดทดี่จะเป็นไปได้แล้วก็ไปรวมคือยังละหมาดอยู่นะแต่รอให้มันหมดเวลาไปก่อนนี่อลัลลอฮ์พูดถึงคนที่ละหมาดอยู่อะแล้วพี่น้องลองคิดดูถ้าคนที่ไม่ละหมาดเลยอัลลอฮฺผบัตสุพานัลลอ คือถ้าเป็นมุสลิมนะแปลว่ายิ่งกว่ากาเฟตยิ่งกว่ากาเฟตก็คือไปรวมกับมุนาฟิกซึ่งมุนาฟิกที่พงศลักษณ์ที่อัลเบีพูดในเยอะมากเลยอายตุล ม, มุนาฟิกินซาเลสอีกคดีหนึงก็บอกอาร์เบคุณลักษณะของผู้กับกอรอบใช่ไหมเวลาพูดก็โกหกเวลาได้รับความไว้วางใจก็จะหักหลังแล้วก็เวลาเถียงก็จะเอาชนะแล้วก็คุณรักใส่มากมายที่ซาลาบีพลุกไว้ครับ ซึ่งสําหรับอัลลอฮ์พวกลังเกียจมากที่สุดแล้วในบรรดากลุ่มของคนที่ชั่วไร้ทั้งหมดนี่นก็แปลว่าในการเป็นมุสลิมอะครับหลายครั้งมุสลิมเราชอบคิดว่าการเป็นมุสลิมคือเหมือนกับเป็นชนชั้นสูงเหมือนกับว่าเราเหนือกว่าผู้ไปเสียศรัทธาเหมือนว่าเราดีอย่างนั้นเราดีอย่างนี้ในสุรางี้พวกเราบอกให้เราได้รู้ง่ายๆว่าคุณไม่ต้องมาคิดว่าคุณดี ก, กว่าใครดูพฤติกรรมเลยหลักๆถ้าเกิดว่าสี่ข้อเนี่ยได้ทํากันนะ คุณไม่ได้ดีกว่าใครคุณแย่ที่สุดอคนที่ไม่ให้ความสาคัญ ก, ก, กับการละหมาดใช่ไหมครับอัลเลซีนะฮุมยูรอูนที่พระมารดาได้กล่าวไว้นี่คุณลักษณะสุดท้ายอ่าที่4อันนี้4หรือว่า5นะ <4 S 1> ผมบเบอร์ส <4 S 1> ใช่ไหมครับอ้งั้นสุราที่มี5คุณลักษณะส 4, 5, 4. ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอะไรตรลึกยคซิบฟเซนก็ได้โดยเลตมอ่าเกี่ยวกับการเฟมี2ข้อนะครับแล้วก็ละหมาดไม่ความสาคัญโอ้อวดันน้นมี5้าคุณลักษณะผมพูดผิดครับ5 งั้นคุณลักษณะที่4ี่ที่พระวรพูดไว้ก็คือว่าเขาคือคนที่ชอบโอ้อวดคำว่าโอ้อวดภาษาลาบในกุรานี้พระวรพใช้คำว่าอยู่รออลนทำให้คนอื่นเห็นแปลว่าตั้งใจให้คนอื่นเห็นหรือเพราะคนอื่นเห็นเขาถึงทำหมายความว่าพี่น้อง ผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านสิ่งที่เราต้องระวังให้ดีชัยตอนมันเข้ามาในใจเราแน่นอนเข้ามาใ น, ในใจผมด้วยผมก็รู้ตัวหลายครั้งที่มันเข้ามาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะทำความดีเพื่ออัลละฮฺบางทีพอมีคนรับรู้เนี่ยเจตนาเรามันจะเพี้ยนละมันจะเบี้ยวละตอนแรกอยากจะทำดีเพื่ออัลลอฮฺนี่แหละแต่พอมีคนมาปุ๊บแอบ ร, รู้สึกปื้มรู้สึกเข้าเห็นแล้วเออฉันต้องทาให้มันดีหน่อย ตอนแรกก็อาจจะตั้งใจจะละหมาดแบบธรรมดาปกติที่ทำอ๋อหรอกวัดอ๋อหรอกวัดหอกวัดพอมีคนเห็นปุ๊บอัล๋อหูอักบิร์กโอโเริ่มแล้วก็บางทีอาจจะรู้สึกภูมิใจว่าวันนี้ฉันช่างละหมาดมีสมาธิฉันช่างดีอะไรอย่างนี้เออเขาคงได้เห็นแล้วบางทีเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดแต่ชัยตอนมันเข้ามาจริงๆผมไม่ได้บอกว่าผมเหนือกว่าใครเพราะชัยตอนเข้ามาในใจ บ, บ้างผมบางครั้งมันก็คิดแบบนี้ ครับผมคิดว่าอะไรท่านมันแวบเข้ามาไอแวบเข้ามาอินชาลอ้ะเราหวังว่าล้อจะไม่ตาล้อไม่เอาผิดพราะแวบที่เข้ามานี่ใช่ตอนมันเข้ามาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันคิดต่ออันนี้ไม่เรียกว่า แ, แวบแล้วแลภูมิใจเออแล้วก็ภูมิแล้วก็ภูมิใจแล้วก็เบอ้าการงานนั้นติดลบทันทีอย่างที่บอกสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่มุสลิมต้องไม่ทําอย่างมากก็คือการโอ้อวดน เพราะการงานใดก็ตามที่มีการโอร้อวดอยู่ในนั้นแม้แต่ว่าการโอร้อวดจะเพิ่งมีทีหลังการงานนั้นสิิ์ไปนานแล้วเพิ่งมาอวดทีหลังการงานนั้นก็ติดลบอันนี้คือความน่ากลัวคือบางทีเราทำความดีตั้งนานแล้วครับทาความดีไปเป็นปีแล้วจบไปแล้วน่าจะได้ผลบุญรออยู่บนตาช่างที่ดีแต่ถึงเวลามีคนมาพูดให้ฟัง โอ้ยไอ้นี่อย่ามาดีขนาดได้ตั้งใจมาเฮียนขนาดอิทใคร่รับก็ยังมาฟังบรรยายอ่าไอ้กับโก็มาตะใดอะนะก็แค่มาฟังมาได้แล้วเัยตอนมาให้คิดไม่ดีละที่ฟังบรรยายทั้งหมดติดลบเลยอันนี้ตัวอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างครับอ๋อครับ <laughs> ก็ต้องระวังกันทุกคนแหละครับคนพูดต้องระวังเป็นคนแรกแล้วก็คนฟังก็ต้องระวังทุกคนด้วยว่า คำว่าอยู่รออูนเนี่ยทำเพื่อให้คนอื่นเห็นเนี่ยน่ากลัวคือเราทําแล้วเขามาเห็นเองเนี่ยเราไม่ผิดแต่พอเขามาเห็นเองบางทีเขาดันพูดบางทีใจมันกมน็มันก็ไปหน่อยหนึง่งอ่ามันก็ภูมิใจมันก็พูดมันก็ก็ระวังการเงนินที่ทําจะสูญเปล่าครับก็ต้องระวังที่เหนือกว่าคําว่าทําให้คนอื่นเห็นคิดว่าอะไรเหนือกว่าทําให้คนอื่นเห็น ที่เหนือกว่านั้นก็คือทําให้คนอื่นพูดถึงทําให้คนอื่นพูดถึงคือให้เห็นนี่คือก็เขาเห็นเขาอะไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจไปอวดอะไรเขาได้แต่ถ้าให้คนอื่นพูดถึงนี่ก็คือมีคนไปพูดถึงเราโอ้อาจารย์คนนี้นะอืตลอดสิบปีมาทําความดีอย่างนี้ทำความดีมดมดอย่างนี้ดีเหลือเกินนะไปโพสตามเฟซไปลงตามหนังสือเราไปเห็นปุ๊บโอ้โหเขาชมเราดีจังเลยเรียบร้อยเรียบร้อย บางทีไปกดแชร์ต่างหากโอ้ยมีคนชมฉันฉันต้องแชร์คนอือนรับรู้อีกว่าฉันจะทําความดีอะไรบ้างฉันไม่ได้พูดเองนะเขาพูดฉันแชร์เฉยเฉเจตนาเราไม่รู้ไงคนที่ทําผมไม่ได้บอกคนที่ทําผิดนะเพียงแต่ว่ามีความเป็นไปได้สูงว่ามันจะเข้าขายทําเพื่อให้คนอื่นพูดให้เราฟังการล็อกบอกแล้วเราก็เราก็เขาเริ่มชมตรงนั้นนะครับจะเป็นการป้องกันใช่ตอนดยไหมได้ระดับหนึ่งเพบางทีเนี่ยถ้าเราถูกชมเลยเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าส่งเสืิมไม่ใช่ตอนหลอกเอาเลยนี่แหละดีไหมเยี่ยมไหมโอ้ผมภูมิใจหรือเปล่ามันไปเลยมันไปเลยถ้ามาชาร์ลาก็มันจะใจตอมันก็จะบอกให้ชิ่งไปทำเลยนะก็คืออย่างน้อยก็คือขอบคุณตลอดนะครับอย่างที่อาจารย์บอกคือทำดีแล้วมาชาร์ลแล้วก็พูดเท่าที่จําเป็นจริงๆบางทีเราอยากให้กําลังใจเขาไงเรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ทํามาแล้วให้กําลังใจบอกว<อ>่าต้องทําต่อนะครับ ที่ทํำมาเป็นสิ่งที่ดีอขอเล่าแต่แพนอ่ะครับอย่างเช่อนอาจารย์ให้ความช่วยเหลือตลอดนี่ขอร้องเมตตาแล้วก็ต่อรักการงานที่ดีเป็นการดูอาแล้วก็อาจจะมีเตือนมีนืซีฮัมีอะไรครับผ ม, มเพราะว่าไอ้เรื่องเรื่องการไอ้คำชมนี่มันมันฆ่าฆ่าคนได้แบบงี้ยเพระมันน่าจะมีเขาเรียนเลยนะว่าถ้าทำการชมของนักศิลเราครับเพื่อที่อย่างน้อยๆมันต่างจากคนอื่นว่าทบทชมก็ชมเพื่อจะเอาหน้าเอาตาหรือเปล่าใช่ไหม เพือจะให้คนมีความรู้สึกว่าเดโอ้ยเนี่ยฉันชมคนเนี่ยให้คนนี้มันเลิศไอ้ตรงนี้มันทําให้คนที่ถูกชมเนี่ยมันมีความรู้สึกบายเลยครับใช่ตอนก็ส่งเลยมันก็จะทำตท่งเนี่ถ้าเป็นลูกศิษเราเนี่ยถ้ามองในแง่มันกัการเนี่ยถ้าเรากล่าวสรรเสริญเราร้อนรับขอบคุณเราร้อนก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือมันมาจากาอารม์ด้วยทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ในคําชมของเราที่สําคัญก็คือว่าต้องมีเป้าหมาย ใ, <ช>ในการชม ที่มั่นใจว่าเป้าหมายนี้เอาลอรับคือมีเหตุจริงๆอาจจะเป็นกําลังใจอาจจะเป็นอะไรให้กับเขาเพื่อเลาจะได้รักเขาให้เขาดีต่อเ น, นื่องอันนี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของเจตนาแล้วก็มีอีกคดีหนึ่งที่ทนายบิวส์สลาลองไรส์ลัมได้พูดเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ได้ทําความดีหรือว่าพูดดีเพื่อที่หวังใจมีคนมาชมหรือว่าหวังใจให้คนมาให้เกียรติเอาเราจะทําให้เขานั้นกลายเป็นคนตกต่ำต่อหน้ามนุษย์ต่ำต้อยต่อหน้ามนุษย์มันก็คือเจตนาเขา ครับรเพเหมือนถ้าเราสังเกตดูราวาธรรมชาติของคนเราทุกคนนะครับถ้าเกิดเราเห็นคนที่ยิงเห็นคนที่เชิดไม่มีใครยุรู้สึกยกจ้องเขาจากใจหรอกถูกไหมครับเหมือนกับว่าคนใหญ่คนโตบางทีจะบอกท่านครับท่านขาถ้าอะไรประมาณเนี่ยคนพูดจะมีสักกี่คนที่ใจรู้สึกนับถือคนคนนั้นจริงถ้าเขาไม่ใช่คนที่ถ่อมตัวคือเราจะนับถือก็ต่อเมื่อคนคนนั้นถ่อมตัว อย่างยกตัวอย่างช่วงที่ผ่านมาอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับอย่างถ้าเกิดผู้ว่าผู้ว่าเชียงรายใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่ผ่านมารับมืออะไรก็ตามทําอย่างดีแล้วก็ไม่ได้อวดอ้างไม่ได้อวดสบคุณเน้นงานทํางานหนักๆอย่างเดียวชาวบ้านใครเห็นก็รู้สึกไงครับรู้สึกชอบอจริงๆถ้าเรียกท่านก็คือเรียกแบบท่านแบบเต็มปากรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนที่ถุมเทจริงๆแต่ถ้าเกิดคนที่ว่าไม่มีพฤติกรรมดีแล้วก็ยกหางอย่างเดียวใครๆก็รังเกียจ เพราะนั้นอ่ะอายะนี้เราพักไปก่อนอัลลอดีนะฮุมอยู่รออุนอัลลอดีนะฮุมยูรออุลเขาคือคนที่ว่าทำเพื่ออวดอ้างให้คนอื่นเห็นวายามหนาวนั้นอัลมาอุนในอายะสุดท้ายครับประเด็นที่หที่พวกอัลลอฮ์สุฮลาได้เตือนเราไว้ให้เราดูให้เราดึงสติคือห้าคุณลักษณะนี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกพว ก, พวกไม่ได้เตือนเราแค่ให้เราไประวังคนที่มีห้าประเภทนี้หคุณลักษณะนี้ แต่พระ อ, องค์เตือนเราว่าอย่าเป็นคนที่มีห้าคุณลักษณะนี้ถ้ามีห้าคุณลักษณะนี้ก็คืออยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดในแหละที่ว่าถ้ามีสักข้อสองข้อก็ก็ขอตบบ้ากับอาล้อไปก็บวังว่าจะได้ดีอยู่ชาวละนะครับคุณลักษณะสุดท้ายครับเขาคือคนที่แบบว่าห่วงขี้ห่วงของพอคนจะมาอยืนในบางทีบ่นด่าเป็นชั่วโมง ของเขาเอาไปเมื่อกไม่ย่อมนี่มันมีม่มีตังซื้อหรือซื้อบางทีแบบให้ยืมไปแบบให้ไปงั้นแล้วก็ไปดังแดาไปดินตาที่หลังเข้าข่ายเดียวกันอันมาอุ่นก็คือเป็นของที่แบบว่าส่วนใหญ่เขาหยิบยืมกันได้ครับหยิบยืมนี่ก็ไม่ไม่ใช่หมายความว่ายืมลืมนะบางคนยืมก็ยืมลืมไปเลยเอาไปแล้วก็หายไปเลยกับจีบเมฆทั้งคนยืมทั้งของที่เอาไปยืมเลยประมาณนี้อันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งเป็นคนที่ไม่รักษามานะก็อยู่เพล่ไพ คุณลักษณะของมนาภิกที่พ่อเราได้เตือนไว้เพราะนั้นก็ครับตอนนี้เรามาสรุปห้าคุณลักษณะเนาะสองคุณลักษณะแรกเป็นสองคุณลักษณะโดยรวมสองคุณลักษณะโดยรวมอีกสามคุณลักษณะนี้เจาะจงคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีสองข้อนี้รวมหมดเลยทั้งคนดีคนไม่ดีรวมหมดแต่สามข้อนี้คือจะเกิดกับคนที่ชอบคิดไปเองว่าตัวเองเป็นคนดี อ ส, อสองข้อแรกที่เกิดกับคนโดยรวมมีอะไรบ้างนะครับคือคนที่ดูถูกดูแคนเด็กกพํพร้าอันที่สองก็คือคือคนที่ไม่ส่งเสริมในเรื่องการให้อาหารคนยากคนจนอันนี้คือโดยรวมใครก็ตามมีคุณลักษณะสองข้อนี้ขอให้รู้เลยว่าเขาไม่ได้ศรัทธาต่อรถและมันสิ้นโลกจริงต่อไปครับอีกสามคุณลักษณะสาหรับคนที่ชอบคิดว่าตัวเองเป็นคนดี คุณลักษณะแรกข้อแรกดูเลยว่าเขาให้ความสําคัญกับการละหมาดของอัลลอฮ์แค่ไหนถ้าไม่ให้ความสําคัญรอให้หมดเวลาก่อนแล้วก็ทําต่อให้ปากเขาจะพูดดีแค่ไหนก็ขอยรู้มันสวนทางละเพราะอย่างที่เรารู้ในเรื่องของการละหมาดที่ท่านอบบีบอกไว้คืออะไรนะครับสิ่งแรกที่ถูกสอบสวนถ้าดีทุกอย่างดีถ้าการละหมาดไม่ดีก็อย่าหวังว่าอะไรจะดีด้วยก็คือสอบตกไปหมดคุณลักษณะที่สอง ที่ว่าโดนกันโดยรวมก็คือชอบอวดอ้างอันนี้ทั่วโลกคนทุกคนคนดีจะโดนหนักในเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าคนดีมีพฤติกรรมเยอะไงพฤติกรรมที่ควรจะโดนชมเยอะแล้วพฤติกรรมที่อยากจะอวดก็จะเยอะกว่าคนที่ไม่ใช่คนดีเพราะคนไม่ดีเขาเขาไม่มีอะไรให้อวดเดยอะอยู่แล้วอันนี้คนดีโดนเยอะหน่อยการโอ้อวดซึ่งก็ต้องเหยียบกับตัวเองไปเรื่อยๆคุณลักษณะข้อสุดท้ายก็คือการหวงของเล็กๆน้อยๆคือ ค, ค, คิดเนี้ยคุณคิดเนี้ยก็คืออย่าไปคิดเลยมากถ้าเกิดมาเป็นของเล็กน้อยครับเขามาขอหยิบยืมไปก็อให้ยืมไปได้ก็ให้ยืมไปแต่ถ้าเกิดรู้ว่าเขามีคุณลักษณะว่าไม่คืนแน่ๆก็อาจจะต้องหาวิธีรับมือกับเขาก็คืออาจจะบอกตรงๆว่าครั้งที่แล้วไม่คืนเนี่ยครั้งนี้จะคืนหรือไม่คืนพูดกันตรงๆถ้าจะไม่คืนอีกจะได้เหนียดว่าควรจะให้สอรอกรไหม อล่ะครับอะไรที่เดือดร้อนผมไม่ผมผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวนะครับเอาห้าประเด็นเดี๋ยววันนี้ผมขอความร่วมมือแต่ละท่านเลยแล้วกันเอาเป็นผมบางทีจะตั้งโจทย์ผมก็เกรงใจคนฟังสักหน่อยไหมครับ อ่ฟังก่อนนะครับฟังก่อนว่าจะทำอะไรนะครับอดี๋ยวถ้าเกิดพูดถึงให้คุณในลักษณะเนี่ยมผมอยากรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องแต่และท่านเอาเป็นข้อค น, นละข้อก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของการไม่ให้เกียรติเด็กกาพร้าไม่ให้อาหารคนจนอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ต้องระบุชื่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันมีผลอะไรยังไงหรือว่ามีเรื่องที่อยากจะแลกเปลี่ยนมีอะไรอยากจะพูดอะไรก็ได้เปิดไปกว้างแต่ขอให้เกี่ยวกับสุรธรรมอูมอ่นพอจะมีท่านใดมีอะไรแลกเปลี่ยนไหมครับพูดอาขำคนแรกเลยขำนี่คืออย่ามาถามชั้นหรือเปล่าครับไอ้มีอย่างแลกเปลี่ยนกันครับมีอย่างแลกเปลี่ยนสักหน่อยครับฮะครับอย่าขึ้นมาออกเตื้อนนะครับผมประเด็นเรื่องๆๆ เด็กกำพ้าเนี่ยว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับว่าในเรื่องของความสําคัญในการที่เอาเราเด็กํำพร้าตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราจะต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กกำพร้าหซึ่ ง, ง, ง, ง, งถ้ามองดูแล้เนี่ยเด็กกำพร้าที่มีณนะนะปัจจุบันบางทีเราเองก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรือไม่ได้ เขาเรียกไม่ได้แสวงหาว่าใครคือเด็กกำพร้าครับคมันจะเป็นยังไงจะมีกินยังไงก็ปล่อยจนกระทั่งมันมีองค์กรที่เขามารับชาวัเด็กกำ้าครับใชไหล้ขทดูรู้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าอีสานเาถ้าเกิดว่าเราพอมีมีลิสกีนก็ได้จะสมูองค์กรเหล่านี้ดให้การช่วยเด็กกำ้าได้ตรงจุดพเาต้องตรวจสอบว่าใครคือเด็กกำ้าที่แท้จริงแล้วเขาอเอามาดูแลซึ่งบางทีเรา่มีความสามารถหว่าใครคือเด็กกำ้าแล้วจะไปหาิงน่งย อันนี้เป็นแนวทางที่ช่วยได้ก็คือส่งเสริมในเรื่ององค์กรที่เขาดูแลเด็กกำพร้าที่มาเช่าละมาเช่าละครับอันนี้เราไม่ได้เอาค่าโฆษณาอะไรจากไหนทั้งสิ้นอ่านทำเลยนะแต่มันเป็นความดีงามครับก็คืออย่างที่อาจารย์พูดถูกใจผมเลยก็คือว่าอย่างตอนเนี้เรารู้แล้วว่ามี5คุณลักษณะที่อันตรายถ้าใครมีครบนี่คือเดือดร้อนแน่เดือดร้อนแน่ร้อยเปอร์เซลยถ้ามีครบ5้าข้อเนี่ยงานเข้าแน่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่มีสักข้อสองข้ออย่างน้อยที่สุด สองข้อแรกสองข้อแรกถ้าเกิดเราพยายามที่จะให้ความช่วยเหลืออเด็กกำพร้าหรือว่ามีการส่งเสริมในเรื่องของการเลี้ยงอาหารคนยากคนจนไม่ต่างรอว่ามันต้องเป็นจ่ายสากาดไม่ต่างรอว่ามันเป็นช่วงเดือนรอมฎอนคือพยายามทําให้ติดเป็นนิสัยอย่างน้อยถ้าสองข้อนี้เราพยายามทําให้ติดเป็นนิสัยโดยเนื้อว่าทําเพื่อเอาล้อได้อย่างน้อยเราก็น่าจะเบาใจแล้วว่าฉันไม่ได้มีหข้อนะอย่างน้อยฉันอาจจะมีแค่สข้อหรือเปล่า คืออย่างนั้นที่สุดก็อย่าทําตัวให้มีครบห้าข้อง่ายที่สุดก็เริ่มจากถ้าเราสังเกตดูสุรัญมาอุลพระองค์จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระ อ, องค์กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันแปลว่าพระองอ์ละให้น้ำหนักแบ่งไว้ก็คือสําคัญทั้งคู่นะกับอัลลอฮ์สำคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่กับมนุษย์ด้วยกันก็สําคัญก็สําคัญแน่นอนไม่เท่าอัลลอฮ์แต่ว่าสําคัญถึงขั้นบายิบที่ว่าเราต้องดูแลด้วยเพราะนั้น สองข้อที้ทําไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดคุยพูดคุยกันถึงเรื่องของการให้ความสำคัญของการละหมาดก็มันต้องช่วยกันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันเพราะบางทีมันยากที่เราจะสามารถรักษาตนให้อยู่กับร่องกับรอยกับการละหมาดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีคนช่วยผลักดันพเรากล่าวในก็แหละมันต้องต่ อ, ส, ขขอสู้กับนักสู้ที่พวกเราบอกในกล่าวนะครับวอสตอ์จายนูบิสซัริวอสซาเลพวกท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือ คือเวลาเราอยากให้อัลลอ์ช่วยใช่ไหมครับผละว่าถ้าอยากให้อัลลอ์ช่วยให้เราทำสองอย่างให้ได้ถ้าทำสองอย่างได้อัลลอ์ถึงจะช่วยวสาอีนูบิสซอบรีเจ้าต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอ์โดยที่เจ้านั้นต้องอดทนแล้วก็โดยที่เจ้านั้นต้องละหมาดวสาัสซาอีนูบิสซอบยุสอัละไวนฮาและกาบีระตุนอีลหละอชินซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่การรักษาละหมาดให้ต่อเนื่องนะครับครั้งสองครั้งง่าย เอาแล้วว่มันเป็นเรื่องใหญ่นอกจากจะต้องเป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงซึ่งมันต้องช่วยกันวาตาวาลิบวาตักวาก็คือต้องช่วยกันในเรื่องความดีในเรื่องของกรรมจะเปลี่ยนต่อแล้วมันก็ต้องมีการตักเตือนกันบางทีถ้าเกิดเห็นผมไม่อยู่กับร่องกับรอยเนี้ยได้เวลาละหมาดแต่คุณไม่ได้ละหมาดคุณเป็นละหมาดก่อนอย่าไปคิดว่าเขาเป็นผู้รู้เขาเป็นอาจารย์เขาเป็นใครเตือนไม่ได้อย่าคิดอย่างนั้นคนเป็นผู้รู้ยิ่งต้องเตือนเพราะถ้าผู้รู้เพียนไปปุ๊บผู้ตามเพียนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้้าาเเห็นวว่ใครบีย ตเตือนครับมีอะไรเสริมไหมครับผมไม่มีนะไม่มีเลยคุณอาสักหน่อยไหมครับสักนิดหนึ่งไหมครับไม่มีเลยหรือครับห <c oughs> น่อนะ่นสิสักหน่อยไม่มีเลยทางมัตสีมาครับมีอะไรอยากพูดอยากเสริมอยากเสนอไหมครับ เ, เรามีประเด็นเรื่องการละหมาด จ, จริงๆเรื่องประเด็นการละหมาดเนี่ยเยอะมากเนื้อหายเยอะมากคุยกันสักถ้าเกิดถึงเวลาเรียนฟิก ค, คงจะได้คุยกันอย่างละเอียดนิดนึง ผมขอเปลี่ยนไปคําถามแล้วกันรู้ไหมครับว่าเป้าหมายหลักเลยของการละหมาดคืออะไรเป้าหมายหลั ก, ห, ห, ลกหัวใจของการละหมาดที่พระองค์รับสั่งใช้ให้คนละหมาดที่พระองค์สั่งใช้ให้คนทําฮัทที่พระองค์สั่งใช้ให้คน จ, จ่ายสกาถือสินอดทั้งหมดมีเป้าหมายหลักเดียวกัน เ, กเพื่อลำลึกถึงอัลลอฮฺ เพื่อลำนึกถึงอัลลอฮ์ถ้าเกิดเราจําคีย์เวิร์ดไว้เราจําคีย์เวิร์ดไว้เราจะได้รู้ว่าที่เราทํามันมีคุณค่าไหมถ้าการละหมาดของเราเนี่ยเราได้ลำนึกถึงอัลลอฮ์เพราะว่าในคัมภานที่อัลลอฮ์พูดนะครับมูนาฟิกไม่ใช่มีคิดถึงอัลลอฮ์นะไม่ใช่ลำนึกถึงอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าลำจะสู้อัลลอฮ์อิลากอรีแหละเขาไม่ลำนึกถึงอัลลอฮ์นอกจากจะลำนึกถึงเล็กน้อยแปลว่ามูนาฟิกพูดกับก่อ ก, ก็ลำนึกถึงอัลลอฮ์เหมือนกันแต่มันไม่ได้ทําให้เขารอดพ้นจากการเป็นมิน เพราะนั้นเป้าหมายหลักของมุสลิมอิบาราดะทุกอย่างที่เราทําเพื่อที่จะลานึกถึงอัลลอฮ์เพราะนั้นจะเดือดร้อนจะมีความสุขจะทุกข์ใจะอะไรก็ตามมุสลิมเราไม่สามารถทิ้งการทําอิบาดาดะได้เลยเราไม่สามารถทิ้งการละหมาดได้เพราะว่าเราต้องลำนึกถึงอัลตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพ่อเล่าบอกว่าไงครับล um าตักรัลบุสแล้วหวานกุมสุการอย่าเขาใกล้การละหมาดถ้าหากว่าพวกเจ้าเมาไมา่เพราะคนเมาคนที่มึน ลำลึกถสือร้องได้ไหมลำลึกไม่ได้หัวไม่มาไงพงร้องก็ไม่ให้ละหมาดก็แปลว่าถ้าละหมาดใจต้องอยู่กับพระองค์ทําอิบาดะใจก็ต้องอยู่กับพระองค์เพราะฉะนั้นอิบาดะทุกอย่างจะวัดว่าผ่านไม่ผ่านดูว่าใจเราอยู่กับอัลลอฮ์ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดละหมาดเสียระกาแล้วไม่มีอัลลอฮ์เลยมีแต่ใครก็ไม่รู้มีลูกมีครอบครัวมีตลาดมีข้าวเหนียวมะม่วงอะไรอย่างครับมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีนในละหมาด มีถึงกันแล้วนิดหนึ่งก็ขอให้รู้ว่าอีนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะของบนาฟิกนะต้องระวังตัวยั <southeast> งตรลงไปเดียวไอ้เหมาเจมนาฟิกจะ ช, ชวนะ <conhe c ings> นะครับแต่ใช่นะครับเรนึกเึงแล้วตลอดเวลาเลยนะครับไอ้คำโดยดินละครับเยี่ยม <rí> e> ครับมีด้วยนะครับมปอฮุยใช้ตอนมันล่อหลวงพ่อง้อตอนลาหลวงพ้องหนะอุจิบิามช่กินเยี่ยมครับผมนี่ก็แปลว่าเป้าหมายทํามีบด้นะครับเิ่มนึกถึงแล้ครับต่อไหมครับ ถ้าไม่ตอบวันนี้เราแค่นี้เอาปากของพอครับออพอรู้สึกว่าสมาธิตแต่ลนะท่า น, ก น, กนแกเจริญไวเกินนะครับถ้าผมเจาะเข้าลึกเขา้าดื้อนี่เขาตัวเขาส่วนมากส่วนมากมการมาเป็นฝันโดยชินอันนี้คือดีหรือไม่ดีครับมันไม่ดีนะคือคื อ, ค อ, อ, อไม่ได้ล้าลึกเสียหรือเลาล้วงบังบ้านยังไคิกไปเรื่อยๆพุ่นู่นนู่นทำได้ทุกอย่างคือว่าได้ไม่ผิดสักแท้เลยใช่ไหมครับทาถูกทุกคท้แต่อสลับจบปนเมื่อไหร่เออนะสลามเสรบไปแล้ว เราทำได้อ่านดุกนเนาสุดไล้บางทีเป็นอย่างงี้ที่มันแบบไปเลยนะไปเลยครับแต่แต่มันมันที่ตอนที่ตอนที claro ่เราทินเอถ้าเราไม่ทจใจเรามีเจะคิดถึงไหมครับผมเราจะปูกตอนไหมถ้าเกิดเรากรวลกะวายก็จะทมดีละก็มันจะช้าไปถ้ายังไม่ตายยังไม่ช้า ครับถ้ายังไม่ตายก็ยังมีชอยู่ในที่เกิดัลว่าสมาธิเไม่ดเรายแล้วเราไม่ได้ยังไงไม่ได้ครับถ้าตักบีร้ตุนรอมเรียบร้อยแล้วถ้าทาเริ่มต้นถูกต้องแล้วครับเต่อนะครับีกาเดียวอัลลฮัลลอฮ์ อ ش ه د ลลัลลอฮ ا ลลอฮ์อัลลอฮ์อาชาลล ل ลลอฮิลลอฮ์อ م ลลอฮ์อา ل าลล ه ลมุฮ ا มมัด a l l a h อ่าใ น, นเรื่องของการละหมาดนะครับผมจะเกิดว่าเรามีเจตนาโอ้อวดหรือว่าเจตนาไม่ดีให้ดูว่ามีตอนไหนถ้าเกิดว่ามีก่อนเริ่มที่จะตักบีบแล้ตุน้นแย่รอมก็ให้ชะงักให้ชะลอการตักบีบไปก่อนก็คือถ้ายังไม่ได้เริ่มมาครับก็ทําใจให้ชัวๆก่อนสมมุติว่าตัวเลขเราจะ ลัก บ, บีดละหมาดใช่ไมครัแล้วพอมีคนมาปุ๊บแล้วใจเราแวบไปอยู่กับเขาแล้วอะ่ะแวบว่าให้เขาได้เห็นหรือว่าให้เขาได้ชมเลยได้ตามถ้าอย่างนั้นปุ๊บก็ให้พักไว้ก่อนสงบใจก่อนแล้วเคลียร์กับใจตัวเองให้เรียบร้อยเพราะจุดเริ่มต้นถ้าเริ่มผิดปุ๊บงานนั้นไร้ค่าจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าตอนแรกเราเริ่มดีแล้วครับเอาล็อคบัตรักบีดปกติก็คือเนี่ยแต่ไรดีละ แล้วอยู่มีคนเข้ามาหาแล้วเข้ามาเห็นแล้วใจเราเริ่มคิดเหมือนจะอวดเขาหน่อยๆแล้วถ้าเป็นงนั้นก็คือให้รีบเคลียร์กับตัวเองเออไม่ได้นะไม่ถูกนะเราละหมาดเพื่อลอละนะเราพักการอ่านดุอาก่อนได้พักการอ่านฟาติหฮะก่อนได้คือสมมุติอ่านฟาติฮะอยู่ใช่ไหมครับอัลฮ <speaking in foreign language> ัมดุลิลลาฮิราะหบิลลาลวมีอัลลอฮ์มานุรรฮิมมานิเกียอมิดีนเขาเข้ามาพอดีเข้ามาปุ๊บ เฮ้ยเขาเข้ามาเฮ้ยต้องละหมาดดีๆหน่อยเลยประมาณเนี่ยมันแวบเนี้ยมันแวบเราไม่ได้คิดประโยคนนี้แต่มันแวบมันแวบอยากอวดเขาพักฟาติฮ่าเลยเคลียร์กับตัวเองเลยละหมาดเพื่ออ่อนล้อนะถ้าเหนียดแบบนั้นนะฟาวเลยนะเหนื่อยฟรีนะคือชงักไปเลยเคลียร์จนคิดว่าเออใจฉันเริ่มนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วก็ค่อยอ่านต่อ มาริเกลมิตีนอียกกรนาบมาดูเอียกกรานาสไตนก็คือเรื่องเจตนาเราเราพักเทียบกับมันได้ครับถ้าเกิดรู้สึกมันเริ่มเพี้ยนมันเริ่มเบี้ยวมันเริ่มแบบกาลังจะขอดูวาจากเอาร้อยให้ทางนํากลับไปคิดถึงขนมจีนน้ายาอย่างเงี้ยจะบอกให้ให้ฉันจะขอทางนำฉันไม่ได้จะขอขนมเส้นนะอะไรประมาณเนี่ยคนเราต้องสู้กับตัวเองตลอดชีวิตนั่นแหละครับผมก็สู้กับตัวเอง ก, ก, กชนะบ้างแพ้บ้าง แพ้อาจจะเยอะกว่าชนะหรือว่าอะไรก็ตามแต่แต่มันมันก็ต้องดิ้นกันไปข้างหนึ่งจนกว่าจนกว่าจะตายนะครับผมก็คือแบบที่พูดอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับคนเราเลือกทําความดีได้ก็คือมีแค่สอเคสตายแล้วกับเป็นมวลาฟิกไปแล้วมีแค่สออย่างเราจะเลือกทางไหนถ้าจะเลือกทางแรกก็คือรอรักก็คือทําความดีให้มันสุดไปจนถึงแค่วันตายนะั่นแหละตายปุ๊บก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วแต่ถ้าดุนยาฉันก็ไม่อยากเหนื่อยโลกหน้าฉันเหนื่อยแน่นอน เลือกอาว่าจะเน็ดตระหนักงั้นเคลียร์นะครับเรื่องละหมาดครับก็คือเราพยายามเคลียร์กับเตีงแล้วคุยกับเจียงได้ดีด้วยครับละหมาดแล้วก็คุยกับบอลล้อให้มากกว่าพงขอโทษด้วยนะฉันผิดไปแล้วพงษ์ฉอ่านกุฎิฉันอาจจะไม่เข้าใจแต่ขอให้มันเป็นทางนําให้แก่ฉันเป็นสิ่งที่เยียวยายรักษาจิตใจปรึกษากับอัลล้อไม่มีวันผิดหวังปรึกษากับคนน่ยผิดหวังแน่นอนครับเหมือนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับยิ่งยุคนี้นะครับจะหวังพึ่งพาลูกหลานก็ถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ย เตรียมเศร้าได้เลยถ้ามียเลาะอยู่ในใจอย่างน้อยมันจะเศร้าแค่ไหนก็ตามมันก็ฮัสบุนรับเลาะวันนี้มาลวกินก็คือเอาเลาะก็พอเพียงแล้วสําหรับเราเป็นผู้มอบหมายที่ดีที่สุดแล้วชีวิตจะมีความสุขครับผมเงนินสำหรับวันนี้ก็เราจบในส่วนของสร้างมาอุนก็คือในเรื่องของของใช้ที่ว่าหยิบยืมกันแบบง่ายๆใดๆไม่น่าจะเสียหายบางทีก็ถ้ามันอาจจะต้องเสียแต่ถ้าเกิดว่าก็ปล่อยไปเพื่อร้อยร้อยเมีตาก็ ทำได้ก็ทําครับผมขออาจารย์นะครับให้อย่างน้อยที่สุดเราเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ว่าอย่าให้มี5้าคุณลักษณะนี้อยู่ในตัวถ้ามีก็ขอมีสักข้อสองข้อแล้วขอให้เราลบล้างมันไปได้เท่าที่เราจะเป็นไปได้เราต้องลบให้ได้นะเพอห้าข้อนี้ถึงตายหมดเลยนะครับสองข้อแรกนี่หนักเลยมีไม่ได้นะมีไม่ได้ข้อที่สามก็มีไม่ได้ข้อสีมีไม่ได้สักข้อเลยนี่แหละห้าข้อครับ ถ้าใครมีสักข้อสองข้อพยายามสู้กับเตียงไปเรื่อยๆแล้วอินช่าลอขออวยจากลอ ว, ว่าก่อนที่เราจะเสียชีวิตขอให้ห้าข้อนี้ไม่เหลือในตัวเราอินช่าครับอามีครับอันว่าปประชุมสุบฮานะกลอมาบิฮัมดีกะอัชดุลไลแลนตะสักาตูบล ส, สลามูกุมุลลอวฮวะบรักตูครับ